จริงนะเค้ามันไม่แต่เกาหัวแกะๆกๆแกะแกกเอาไงวะจะเอายังไงวะยืนที่ติดภูเขาเกาหัวแกะแกแล้วมันจะเอาไงละทางมีหลายเส้นทางเหลือเกินอุปกรณ์เสริมอะไรอ่ะเสริมเรามองเขาไงดือจริงจริงแล้วเอ่อผมว่าทำสมถะมามันก็เป็นกําลังสําคัญแล้วนะครับเพราะว่ามันก็สติความตั้งมั่นของสติมันก็มีสูงปกติมันที่เราผมว่าผู้ปฏิบัติ ที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยก่อนมาพบหลวงตาเนี่ยเราก็หามาตลอดคือทําทําเพื่อที่จะให้ได้อะไรกลับคืนมามันมีตัวเราไปตั้งไว้เพื่อที่จะไปเอาทุกๆอย่างเลยจะไปเอาพระนิพพานจะไปให้เอาความว่างจะไปเอานู่นเอานี่เพราะมันมีเรายืนพื้นอยู่แต่จริงๆแล้วอย่างที่หลวงตาเทศทุกครั้งคือมันต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าจริงๆเราไม่มีทุกครั้งที่มันเป็นเราขึ้นมานั่นคือสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นเลยคือถ้ามันเห็นรู้เท่าทันตัวนี้แล้วมันก็แคบ แค่ให้ขังฐานเขาปรุงแต่งไปนี่แหละครับมันก็ไม่ได้มีใครจะไปทําอะไรกับมันอะ่ะเราก็แค่รู้เฉยๆแค่รู้เท่าทันรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อที่มันจะเป็นปัญญาเพื่อที่จะเป็นรู้ละปล่อยวางในที่สุดเท่านั้นเองอครับแต่ในในส่วนเบื้องต้นที่ทําสมถะมาแล้วจะเดินยังไงภาวนาเบื้องต้นก่อนเพื่ อ, อพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้รู้เท่าทันจิต ท, ที่มันปรุงแต่งจิต ท, ที่มันไหลไปคิดหลงไปคิดระหว่างที่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนะอันนั้นมันก็จะเริ่มเห็นว่า มันเห็นวิญญาณขันธ์ที่มันเริ่มทํางานออกมาแล้วพอเห็นวิญญาณขันธ์ทํางานออกมามก็จะเห็นตัวเราอีกตัวหนึ่งที่มันจะมีความคิดออกมาในวิญญาณขันธ์นั้นๆหรือว่าความคิดนั้นๆปรุงแต่งขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็มีคนไปรู้ไอ้ปรุงแต่งขึ้นมาอีกแล้วมันก็คิดปรุงแต่งอีกมันจะซ้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆแล้วเราก็อยู่ปัจจุบันเท่าทันปัจจุบันวิญญาณขันธ์ตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองครับดูแค่เนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รู้ลปล่่ออยยววาางตัเเรรไปืๆ เราเคยชินกับการทําการหาการเอามาตลอดชีวิตเราถูกสอนมาอย่างนั้นนะฮะตัวตนมันถูกพ่อมานานตอนนี้ไอการปล่อยวางตัวตนซึ่งมันถูกพ่อมานานที่ขัดให้มันออกมันต้องใช้เวลาหน่อยก็แค่รู้เท่าทันไปแต่อันหนึ่งที่หลวงตาสอนแล้วผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเอาไปใช้ได้คือว่ารู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันนี่แหละครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าข้างหน้าจะเอาอะไรมันมีตัวเราตัวนี้แค่รู้เท่าทานันแล้วปล่อยวางณปัจจุบันนี่แหละครับมันก็ นิพานในปัจจุบันที่หลวงตาสอนเสมอครับคือที่ที่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลองเดินจงกรมแล้วก็ดูดูใจตัวเองไปด้วยค่ะมันมันเหมือนกับว่าคือกว่าจะรู้ว่ามันหลงไปเนี่ยมันก็อา้าวสุดทางจงกรมแล้วแล้วก็เพิ่งเพิ่งคิดได้อ๋อเมื่อกี้หลงคืออันนี้จากที่ฟังหลวงตากับพวกพี่พี่พูดอะคะ่ะก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองต้องทําต่อไปก็คือ ก็รู้ไอ้ตัวที่มันภาคแบบงงๆเนี่ยแหละแล้วก็มันจะพูดอะไรก็รู้มันไปในในในปัจจุบันพอมันมีตัวภาคขึ้นมาอีกตัวภาคขึ้นมาอีกก็รู้มันไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยวางคือปล่อยให้มันเป็นไปตามของมันนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นมา ก, ก่อนเนี่ยคือคือเป็นลักษณะเดียวกันเลยคือว่าหาเนี่ยแหละครับหาไอ้เพราะไอ้ที่เราไม่เห็นเพราะเราไปหาคือหลวงตาท่านยกตัวอย่าง อันนึงที่ช like right ัดมากก็คือว่ามันเหมือนเราขึ้นรถไฟครับขึ้นรถไฟด้วยความเร็วสูงเนี่ยไอ้ข้างๆที่มันเคลื่อนไหวที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่แวบๆแต่เราไม่เห็นรายละเอียดเลยเพราะเราเคลื่อนไหวเราอยู่บนรถไฟเราอยู่บนนิ่งๆบนรถไฟแต่เราเคลื่อนไหวเราเลยไม่ให้เราเลยไม่เห็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวฉั้นั้นถ้าเราอยู่นิ่งๆก็คือว่าไอ้ความคิดวิญญาณขันที่มันเคลื่อนไหวเข้ามาขึ้นไหมันเหมือนเป็นขบวนรถที่เข้าเามาแหละครับเราก็จะเห็นทุกขบวนที่มันมา แต่เพียงแต่ว่าเราเห็นเราไม่ติดไปในขบวนแรกๆกระบวนที่หนึ่งมามันไปแล้วบางครั้งเราชอบกระบวนที่หนึ่งเราก็เกาะไปที่กระบวนที่หนึ่งแล้วนี่เราไม่เห็นกระบวนที่สองที่สามที่สี่นำตามมาเรื่อยๆเราไม่เห็นตรงนี้เลยเพราะเราเกาะเราไปอยู่บนความเร็วลดแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยู่ยืนนิ่งๆเราจะเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดความปรุงแต่งต่างๆเขาจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆกระบวนที่หนึ่งมาแล้วมันจะมีผลไงต่อใจเราความคิดเราขึ้นมาแล้วความคิดเราขึ้นมานั่นคือกระบวนความคิดใหม่นี่คือกระบวนใหม่ที่เขาเข้ามาแล้ว พอความขบวนใหม่มาปุ๊บเราก็คิดใหม่แล้วเห็นขบวนใหม่มาความคิดมันปรุงแต่งตลอดเพราะาขันห้ามมันทำงานตลอดมันก็วิ่งไปขบวนใหม่ตามมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้เท่าทันขบวนใหม่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราไม่ติดไปกับขบวนแรกๆแต่เมื่อไหรที่เราติดไปเราอย่างมากก็สูตลงตาคือตัดทั้งยวงทุกอย่างมันมีความหมายหมดนั่นคือมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งแท่งเลยตัดทิ้งชั่วก็ไม่ต้องทํำไรวางเอาปัจจุบันอย่างเดียวจบคือไม่มีการหลงใดๆทั้งสิ้นถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับ คือเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวเราไม่เคยหลงเลยเขอาจารย์ที่ผมหมายถึงนะคะก็คือเรารู้ตัวปัจจุบันเมื่อไหรนะ่นั่นคือเราไม่หลงเลยนะครับการตัดคือหยุดใช่ไหมการตัดนี่คือการตัดเราไม่ไปไปปรุงแต่งต่อเลยนะคือคือเราแกคํควาว่าตัดนะแต่ไม่มีใครไปตัดนะครับเพราะปัจจุบันเมื่อไหร่ที่เราอยู่ปัจจุบันมันก็เป็นออโต้ตัดไปเรียบร้อยแล้วใช่อะไรก็ได้ที่ผมใช่ครับใช่ใช ถ้าเป็นปกติขู่ความคิดมันก็ไปเรื่อยๆของมันอยู่ตลอดทั้งวั น, นอยู่แล้วใช่ไหมมันอยู่แล้วครับเพียงแต่เรารู้เท่าทันเท่านั้นเองแค่เอารถสีแดงคันนึงวิ่งผ่านเราเราก็เริ่มเออสีแดงสวยดีเราก็รู้เห็นแล้วว่าเราสีแดงจบไปเรียบร้อยนะรถวิ่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้สีแดงสวยดีที่เราคิดในใจเราเนี่ยเราก็รู้แล้วเราคิดในใจเราเดี๋ยวเราปรุงแต่งต่อแล้วเพราะว่าพอเราสีแดงสวยดีปุ๊บเราอยากได้รถสีแดงนะอันนี้อันใหม่เลยนะครับเรางจากสีแดงเนี่ย เราจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อหรือจะไปขอเงินแม่ดีอันนี้ของใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเราไปเราไปคิดถึงรถสีแดงสวยดีเออสวยจังเลยนู้นี้อันนี้เราเริ่มอยู่ในความคิดแล้วแต่เราไม่เห็นว่าเราคิดสวยจังเลยอะไรต่างๆนี่มันติดขบวนไม่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรารู no ้เท่าทันเมื่อไหร่ว่าเอ้ยเราเริ่มคิดว่าสวยจังเลยอันนี้ก็คือก็ก็คืออันใหม่นะครับหรือว่ารถสีแดงผ่านไปเรียบร้อยแล้วเออเราเราชอบจังเลยเราอยากให้อยากได้รถคันนี้จะไปขอเงินแม่ดีไหม ทุบ <Sen> เดี๋ยวมันเป็นรถสีแดงมาใหม่แล้วอันนั้นก็คือตัวใหม่แล้วไม่เกี่ยวกับตัวเก่าแล้วคือปัจจุบันอะไรที่มันผุดมานี่คือตัวใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับรู้อยู่ว่าปัจจุบันละปัจจุบันไปเรื่อยๆเ น, นี่คือรู้การรู้ทันวิญญาณาขันที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีรู้ใช่ไหมคะ<ใช>แต่ทางที่จริงๆคือการคิดไหลไปเรื่อยๆก็คือจริงๆก็ไม่ดีอยู่ดีคือควรจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือไหลไปนั้นเราห้ามไม่ได้นะมันขันมันทํางาน จริงเราไม่มีนะมันเขาเขาทำงานของเขาเองเราก็แค่รู้เท่าทันเฉยเขาจะไหลไปเขาจะไม่ไหลเป็เรื่องของเขาเราแค่รู้เราแค่รู้ว่าเขาไหลเราก็รู้ว่าไหลเขาจะหลงไปบูงนู้นก็แค่รู้ครับจะไม่ได้ห้ามอะไรคือทั้งวันคือให้รู้ใช่ครับแค่รู้รารู้เองเดี๋ยวเขาก็ดับเองครับคือเราไม่ไปทำอะไรเขาก็ดับถ้าเราไปทำมันก็มีเราก็ไปทำอีกมันก็ จะสมุตตบายมันก็เวียนอีกมันก็หมุนเวียนไปหมุนเวียนมาอย่างเงี้ยครับไม่จบไม่สิ้นทนเริ่มตรงนี้ถ้าเราจะรู้อย่างนี้ก็คือว่าคือทางที่จะเดินเนี่ยมันมีไห ม, มก็เราเดินปัจจุบันนี่แหละครับทางมันไม่ต้องไปเอาอะไรไปหาอะไรเลยคแค่เขา้าเข้าใจในภาพรวมก็จบแล้วนะคืออย่างอยี่ยน้องเขาเนี่ยจําเป็นจะต้องพุโทโถพุโทโถเกาะไว้ก่อนไหมคะเพราะว่าไม่งั้น ถ้าถ้าหลวงตาแนะนํานะครับมันจะมีบางช็อตที่ที่หลวงตาเอาอาเนี้เข้าไปเดี๋ยวจะอยู่ในหนังสือด้วยก็คือว่าให้พุโธล่อไว้ก่อนนัคือว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจพอมันเดี๋ยมันมันมีความคิดเกิดขึ้นมาก็รู้เท่าทันมันจะเริ่มเห็นวิญญาณขันที่มันปรากฏแหละเพราะมันมีตัวล่ออยู่เพราะว่าเราในในโลกครับคนภาวนาใหม่ๆหรือภาวนาสมถะนานๆคือการที่จะเห็นมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นพอพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวไม่จะหลงไปคิดเดี๋ยวไม่จะหลงไปปรุง ก็ให้เรารู้ทันแล้วก็โจมใหม่ก็แค่รู้ทันแล้วก็เราจะเริ่มเห็นมีนาขันลที่เขาทํางานแล้วกม็มีบางทีที่พอเดินสุดทางจงกรมแล้วเพิ่งรู้สึกว่ามันหลงไปอะค่ะมันมีการย้อนกลับไปคิดด้วยว่าเมื่อกี้คิดว่าอะไรอันนั้นไ ม, ไม่ควรทําใช่ไหมเออจริงๆแล้วผมว่าผมว่าทุกคนเป็นหมดแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ว่าคนนู้นไม่เคยเป็นเลยไม่มีทางยังไงก็เป็นเพราะมันเป็นทางเดินนะครับก็ปัจจุบันรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นนะครับ ไอ้ที่ที่เหลือนี่เราตัดทั้งยงแล้วถ้าเรายังวนเวียนนะั้นเราก็จะไปเอาอีกล้มันจะมีรถเตาทำไมเราไม่ได้ทําไมอย่างนู้นทาไมเราหลงไปไม่หน่าเลยเราน่าจะโลง่ลงๆว่างๆเราน่าจะรู้ตัวอันนี้ก็วนเวียนอยู่ความคิดอยู่ดีอันนี้ก็ยิ่งหลงไปใหญ่เลยยิงย่งยิ่งยิ่งเป็นสังขารหนักไใหญ่ห น, นี่นี่คือมันก็เป็นธรรมชาติของของมนุษย์นะที่มันจะมีความอยากอย่างนี้แหละครับเราเพียงผมว่าเราเพียงแนตะ่เข้าใจเท่านั้นเองว่ามันเป็ น, ปนอย่างนี้แหละคือ คือถ้าเราเข้าใจเราไม่พอเราเข้าใจเขาเราก็จะไม่ไปเอาอะไรมากละเราก็จะแค่แค่รู้เท่าทันเท่านั้นเองมันก็เหมือนกันนะหลังตาก็เป็นทุกคนก็ฝึกมาก็ต่างหลงกันต่างแ น, เน่เดินจงกรมไปก็หลงคิดต้น ค, คิดนี่ไปกวจะรู้ตัวคิดไปตั้งไกลนะ เ, <c oughs> เดี๋ยวก็ตั้งต้นรู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวได้ไม่นา น, น่ะคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี้อยู่เรื่อย แล้วก็ควรจะรู้สึกตัววางที่เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยมีแต่คิดคิดแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มตั้งตนคิดใหม่คิดโอ้โหคิดนี่แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งตนคิดใหม่เป็นอย่างเนี้ยวนไปอยู่อย่างเนี้ยไม่ไปยังไงเลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแบบเนี้ยเสียเวลาตายเจา้าก็ทั่งมารู้ว่าเออเราก็รู้ที่ตัวเราเรื่อยไปอ่ะเรารู้ที่ตัวเรานี่ยแหละเป็นตัวหลักไว้อ็เราไม่ต้องไปสนใจว่ามันคิดอะไร แต่ที่เรารู้ว่าในใจเราเนี่ยมันคิดอะไรเรารู <t <t <t os> <t os> <t os ้แต่ที่ตัวเราในคิดอะไรอย่าไปสนใจว่าเราจะไปห้ามมันคิดหรือไม่คิดต่อให้มันคิดอะไรอยู่แต่เราดูแต่ใจเราว่าไอจิตมันคิดบ่งแต่งอะไรไปแต่ในใจเรามันคิดอะไรอยู่เรารู้แต่ในใจเราอ่ะมันอยากจะคิดอะไรเราดูแต่ในใจเราว่อะไรแต่คิดอะไรแล้วในใจเราไปรู้ว่าเราคิดแล้วมันพูดว่าอะไรบทนว่าอะไรเราไม่มีไปไปไล่ดับพยายามอ่ะ ดวตาเคยทำผิดอ่ะพอมันมันคิดไปรู้สึกตัวแล้วทําให้มันคิดแต่แป๊บเดียวมันก็ไปคิดต่ออีกแล้วคิดโน้คิดนี่แล้วรู้สึกตัวอีกแต่ก็แป๊บเดียวมันก็ไปคิดโน้นคิดนี่คิดอย่างเงี้ยเนี่ยคือการในแบบนั้นเสียเวลาเปล่านานหลายสีกัแบบเนี้ยนะนะนานที่ข้ามพบข้ามชาติหรือตะขาบไม่รู้จริงๆนี่คนสอนอ่ะก็มันก็แค่เดินจงกรมไปหรือนั่งแล้วไปที่อะไรกัคิดไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอ่ารู้สึกตัวมาแป๊บเดียวคิดไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมา แป๊บเดียวเดินไปกับเพอเปินไปควรจะเปรู้สึกตัวหนึ่งถึงปลายฐานจงกรมก็ยังคิดอีกที่เดินกลับไปตั้งหลายรอบเคิดควรจะรู้สึกตัวอย่างเงี้ยอย่างนี้ปฏิบัติแบบนี้ไม่ไปยังไงเลยแล้วเดินช้าเดินช้ามากต่อให้ไปบริกรรมอัดเอาไว้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ยังไม่ไปยังไงเลยน้องตานะไม่ไปยังไงแบบนั้ น, น่ตอนหลังเนี่ยคือมาจับหลักได้อันคือจิตไปจะคิดยังไงกับช่างเขาเพ้อ ดันดูวยใจเราตลอดอ่ะดูในใจเราตลอดเพราะมันจะคิดอะไรไม่คิดอะไรไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่สนใจเลยว่าจิตจะคิดอะไรหรือมีอารมณ์อะไรจิตจะคิดอะไรหรือมีอารมณ์อะไรไม่สนใจเลยต่อให้มันคิดอยู่เนี่ยแต่เราก็ดูใจเราเนี่ยเราไม่สนใจว่าจิตมันคิดอะไรแต่ดูในใจเราอ่ะมันภาคอะไรอยู่เมื่อเมื่อเมื่อจิตมันคิดแล้วมันภาคอะไรตามไปหรือไม่ภาคอะไรตามไปไม่ไปดับความคิดเลยแต่ว่าเวลาใจเราเนี่ยไปรู้ความคิดแล้วเนี่ยแลในใจนั่นคือจิตหรือวิญญาณขันธ์ มันไปรู้ว่าไปรู้ความคิดแล้วเนี่ย brid. มันพากมันพูดว่ายังไงแคือในใจที่มันพากมันพูดได้คือจิตวิญญาณฐานที่มันไปรู้ความคิดไปรู้อารมณ์มันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้มีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์นี้ไม่ได้ห้ามเลยอ่ะปล่อยมันตลอดเลยไม่ได้ไม่สนใจไปดูมันด้วยไอ้ตลอดนั้นอะ่ะไม่สนใจไปไปบังคับให้มันไม่คิดด้วยไม่ได้ไม่ได้ฝึกแบบเก่าเลยคือมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงมันหล ง, ลงคิดอะไรไปรู้สึกตัวแป๊บเดียวหลงอีกละหลงแป๊บเดียวไปรู้สึกตัวแล้วโอการปฏิิบัต้นนเเเเ้้ยิิิชชาาาามากามากกลๆๆจรง ว่าเราเนี่ยมั่นอยู่ที่ตติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจร่าใจ dejar, ปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาคือมันจะไปรู้ความคิดหรืออารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยไม่สนใจความคิดอารมณ์เหล่านั้นเลยสนใจแต่ว่าในใจมันพากันอย่างไงมันพูดยังไงเมื่อไปรู้ความคิดหรืออารมณ์ไม่เคยไม่สนใจจะไปดับไปดับไอ้ตัวความคิดหรืออารมณ์เลยเมื่อจะคิดดีคิดชั่วคิดกุศลนะกุศลไม่เคยสนใจไปดับเลยสนใจแต่ว่าไอ้จิตหรือวิญญาณขันเนี่ยที่มันไปรู้ มันไปรู้ความคิดอารมณ์นั่นมันเอามาภาคเอามาพูดได้อยู่ในใจนี่เราเราคิดโน่นอีกแล้วเราคิดนี่อีกแล้วแอ่มันก็ภาคแล้วเราแบบเผลอไปคิดอันอีกแล้วเราเผลอไปคิดอีกแล้วไม่สนใจไปทําให้ไอ้ความคิดโน่นคิดนี่เราเป็นว่าเงี่ยมันดับไปเลยไม่ได้ไปสนใจเลยสนใจดีแล้วว่ามันไปรู้ว่าเราคิดโน่นคิดนี่คิดกุศลนักกุศลน่ะในใจเราเนี่ยจิตวิญญาณฐานเนี่ยมันไปรู้แล้วมันเอามาเอามาทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารที่เรียกว่าเจตสิกอะเอามาพูดยังไงละเอามาวิเคราะ ทำไมเรามันคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดเลยทำไมเรามันหลงคิดอยู่ เ, เรื่อยว่าอะไรก็พูดงงแงงงงงงงบนมันหนีกินเพื่อก็พูดอยู่คนเดียวบนอยู่คนเดียวปรึกษาตัวเงอยู่คนเดียวพอจับหลักตรงนี้ได้อ่ะการปฏิบัติเนี่ยโอ้ยพัดชั้นเลยคือมันไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่ถูกรู้คืออะไรและไม่สนใจว่าไปคิดเรื่องอะไรมีอารมณ์อะไรเลยมันดูแต่ตรงจิตหรือวิญญาณอขันเนี่ยที่มันไปรู้ว่าเรามีความคิดเรามีอารมณ์อะไรมีอาการยังไงมีความรู้สึกสบายไม่สบายอย่างไรเนะี่ย มันมันมันพูดปรึกษาตัวเองไว้ยังไงพูดอยู่คนเดียวบมนอยู่คนเดียวปรึกษาตัวเองอยู่คนเดียวคือมันคิดดีมันก็พูดคิดไม่ดีมันก็พูดใจมันสบายมันก็พูดใจไม่สบายมันก็พูดมันก็มาปรึกษาตัวเองอย่นั่นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอจับหลักตรงนี้ได้ดูมันเด็นตรงนี้ตติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ใจสังเกตที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจตติตั้งที่ใจอย่างเดียวจะคิดอะไรจะอะไรไมสนใจอะสนใจว่ามันไปรู้ความคิดไปรู้อะไรไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะมันเอาเข้ามาพาก เอามาพูดมาปึกษาตัวเองในใจว่าอย่างไรเนี่จบเลยง่ายมากเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปไม่ไม่ได้ไปภาวนาเลยต้องสกัดไปเลยเราจะคิดยังไงก็จะมาแต่ดูว่าเราไปรู้ความคิดรู้อารมณ์ไปรู้รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสมันเอาเขามาภาคในใจยังไงพอเรามาดูว่ามันภาคในใจยังไงเราก็ดูดูไปพอเราไม่ไปติดไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับไอ้ตีตัวมาภาคในใจอ้าวเราก็เลยเห็นว่าอะใจมันไม่มันเอามาภาคอยู่ในใจแต่ใจมันไม่ภาคด้วยเหรอเอ๊ะ มันมีสิ่งที่เกิดเกิดดับดับอยู่ในใจมันเอามาภาคเอามาพูดเอามาบ่นอยู่ในใจแต่ใจเนี่ยมันไม่ภาคไม่พูดไม่บ่นด้วยเลยรู้ว่าเปรียบเทียบเหมือนเออไว้ใจมันเหมือนมดลูกของผู้หญิงที่ก็เปรียบเทียบไว้ใจมันเหมือนมดลูกหรือคันของผู้หญิงส่วนที่มันรู้อะไรและเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันก็เอามาพาคเอามาพูดมนมปรึกษาอยู่ในใจเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่มาเกิดในคันจะคิดดีคิดไม่ดีคิดกุศลอกุศลก็คือเด็กที่มาเกิดในคัน แต่ไอคันหรือว่าลูกเนี่ยมันไม่ได้พากมันไม่พูดไม่ได้หลับมันเป็นที่รองรับการเกิดดับของสังขารทั้งมวลที่มันเอามาสังขารในใจพอตาไปเห็นรูปไอจิตวิญญาณอคติมันก็ทำงานร่วมกับเจตสิกมันเป็รูปเพลงเสี้ยวหนึทีเดียวนะจิตวิญญาณอคติมันรูปเพลงเสี้ยวหนึทีเดียวที่เหลือมันทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมันส่งต่อว่าถูกใจไม่ถูกใจหรือไปกลางกลางแล้วก็อจําได้ไหมรู้อะไรเป็นอะไรแล้วส่งต่อสังขารคิดปรุงปุงคิดอยู่ในใจ มันพากันพูดอยู่ในใจมันจะทำอย่างเงี้ยหมุนเนไปพอเสร็จแล้ววิญญาณฐานตัวใหม่มันก็ไปรู้อีกไปรู้ไอ้ตัวที่มันเวทนาสัญญาัฐานที่มันไปทำอารมณ์ชุดเก่าเนี่ยมันก็เกิดในวิญญาณฐานตัวใหม่มันไปรู้ไปรู้ไอ้ทำอารมณ์ชุดเก่าพอมันรู้เสร็จมันก็มาภาพมันก็มาพูดมาวนต่ออีกบางทีมันก็ไปรู้รูปและจิตเสียงอันใหม่บางทีมันก็พากพูดกับไอ้ทำอารมณ์ตัวเก่านั่นแหละแล้วแต่จะภากจะพูดอะไรแต่มันทั้งเงี้ยพูดทั้งเงี้ยทั้งวัน เพราะว่ามันพากันพูดกับไอ้ทางประตูเนี่ยจิตไปรู้ทางประตูตาหูจมูกดิ้นกายใจมันก็จะต้องเอามาพาก็เอามาพูดเอามาคิดตึกตองเพราะอะไรคือมันจะต้องจิตวิญญาณขารเนี่ ย, ยพร้อมไปรู้ปุ๊บมันจะต้องส่งต่อเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจไปกลางกลางส่งต่อสัญญา จ, จําได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคิดพุงปุงคิดแล้วก็มาพาก็มาพูดอยู่ในใจนั่นแหละตอนพากพูดพไปพูดไปพูดไปพูดไปอยู่ในใจ อ, ะอ่ะไอ้ใจที่มันรู้ว่ามีอะไรมาพากอยู่ในใจเนี่ย ใจมันไม่ภาคไม่พูดด้วยนี่วะเนี่ยแต่ใจที่ไปรู้ว่ามีอะไรมาภาคมาพูดอยู่ในใจเนี่ยไอ้ใจไม่พูดไม่ภาคด้วยแต่มันรู้ว่ามีอะไรมาภาคมาพูดอยู่ในใจแล้วก็ดับไปเอาอะไรมาภาคมาพูดอยู่ในใจแล้วก็ดับไปแต่ใจมันได้แต่รู้ว่าอะไรมาเกิดอยู่ในใจแล้วก็ดับไปอะไรมันมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับด้วยพอความรู้อันนี้เข้ามาเนี่ยเออมันก็เลยเลิกหมดปัญหาต่อทุกสิ่ง มันไม่มีใครมายึดใจของเจ้าของเพราะมันเป็นการเป็นใจซะแล้วมันเป็นการเป็นใจซะเองมันไม่ต้องมองพยายามยึดใจไม่ใช่เหมือนกับมดลูกหรือคันที่เป็นที่รองรับที่เกิดที่ดับของผู้หญิงเกิดดับของเด็กอ่ะคันมันไม่มายึดตัวคันแล้วมันก็มันก็รู้ว่าคันเนี่ยไม่ใช่ตัวเด็กที่มาเกิดคือสิ่งที่มาเกิดดับในใจคือเป็นเพียงเด็กที่มาเกิดในคันแล้วก็ดับไปแต่คันไม่เกิดไม่ดับด้วยแต่สิ่งที่เกิดดับคือเด็กที่มาเกิดในคันแล้วคลอดออกไปคลอดออกไปคือจิตที่ปรุงแต่งคือจิตวิญญาณ ในขันห AH like ้าทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เหมือนเด็กที่มาขันแล้วก็ดับไปแล้วก็พอไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันไปรู้ปั๊บมันไปรู้อะไรก็ตามรู้รู้ราได้ยินเสียงสัมผัดหรือเอามาปรุงอยู่ในใจพอาปรุงปก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ทันทีเลยหรือแม้แต่มันรู้ธรรมอารมณ์นั่นเองรู้เวทนาสัญญาสังขารนั่นเองนะมันก็พอไปรู้ปุ๊บมันก็เป็นธรรมอารมณ์ตัวใหม่คือมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารตัวใหม่ พอมันรู้ธรรมอารมณ์ตัวเก่ามันก็เป็นธรรมอารมณ์ตัวใหม่เพราพอวิญญาณขันตัวใหม่มารู้ธรรมอารมณ์นั่นเองมันก็ถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆต่อธรรมอารมณ์นั้นแล้วก็ส่งต่อเวทนาจําได้หมารู้ว่าอันนี้มันใจมันโป่งโลงบาสบายไม่โป่งไม่ล่งมันไม่เบาสบายคิดกุศลนะกุศลอะไรมันก็รู้หมดแหละพอมันรู้ปุ๊บมันก็ส่งต่อว่าถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็จําได้ไหมรู้ว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรแล้วส่งต่อสังขารคิดปุงปุงคิดเพราะมันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันกลายเป็นธรรมอารมณ์ทันทีมันเป็นแค่ จิตหรืวิญญาณอขันนี่ที่รู้ทําหน้าที่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนอกจากนั้นเป็นธรรมอารมณ์หมดพอมันส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขานพวกเป็นธรรมอารมณ์ทันทีพอมันกลายเป็นธรรมอารมณ์มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ภายในใจเป็นอายะตนะภายนอกทันทีแม้แต่มันเกิดในใจแต่พอมันกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันกลายเป็นอายะตนะภายนอกทันทีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เป็นอายะตนะภายนอกมันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกทันทีถ้าเราเนี่ยไปรู้แต่สิ่งที่ภายนอก คือรู้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและทำอารมณม์อาการที่เกิดขึ้นโดยไม่ไมาเห็นว่าจิตจิตหรือวิญญาณอขันเนี่ยมันพามันพูดมันมันบ่นยังไงมันตึกต่อนอยังไงคือไม่เห็นจิตวิญญาณอขันเนี่ยที่มันทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาตั้งขานเนี่ยโดยไปรู้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำอารมณ์คืออายตนะภายนอกอย่างเนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราจะไม่มีทางบรนทุกได้เลยเพราะว่าพอส่งจิตออกนอกมันก็จะไปถูกใจไม่ถูกใจไปกลางกลางต่อสิ่งที่ อายตนาภายนอกแล้วมันจะไปปรุงแต่อยายาภิกับอายาภายนอกแต่เราไม่เห็นว่ามันเข้ามาปรุงในใจวิธอย่างไรแต่เราก็หลงติดไปกับอายตนาภายนอกหมดกลายเป็นส่งจิตออกนอกเป็นสมุดทายเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธดังัน้นมันต้องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเวลาเรารู้อารมณ์อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ อาการต่างๆที่ถูกรับรู้ได้ทางใจเรียกว่าธรร ม, มอารมณ์เนีพวกนี้เป็นอายตนาภายนอกหมเป็นอารมณ์ทั้งหมดนะเป็นอารมณ์ทั้งหมดแต่เวลาเขาเวลาเขาเรียกชื่อเต็มๆเนี่ยเขาจะเอาไอ้เอาไปรวมกันกับอย่างเช่นว่ารูปเนี่ยเราไปรวมกับรูดูรูปรูปก็คือรูปตาลมแล้วก็พอเสียงเสียงก็ไปรวมกับโสดโสดไปโสตโส ด, โสดแล้วก็กับอารมณ์เป็นโสตอารมณเนี่ย แล้วก็กินเนี่ยกินก็คันธาคันธาบวกอารมณ์คันธะบวกกับอารมณ์เป็นคันธารมเนี่ยแล้วก็ลดก็บวกกับอารมณ์ก็เป็นละสาลมนะผดทพะผดทพะสิ่งที่มาสัมผัสกายบวกกับอารมณ์ก็เป็นผดทพะลมอ่แล้วก็สิ่งที่ปรากฏอาการในใจเรียกว่าธรรมะธรรมะฝ่ายปรุงแต่งอ่าสิ่งที่ปรากฏในใจมีอาการในใจเรียกว่าธรรมะฝ่ายปรุงแต่ง เลยธรรมะฝ่ายปุงแต่งเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งบวกกับอารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์ดังนั้นว่าเรียกสั้นๆเรียกอารมณ์อารมณ์ก็คือสรุปแล้วคืออารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผลทพะนั่นแหละแล้วก็อสิ่งอาการาต่างๆที่ถูกรู้ได้ในใจเรียกว่าอารมณ์หมดเลยเป็นอารมณ์ของอะไรก็เป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตหรือวิญญาณอคตินในขั้นที่ห้าสรุปแล้วเนี่ยทั้งสิ่งที่ถูกรู้ที่ อยู่ภายในตัวเราเนี่ยอาการพุทธชนิติถูกรู้แล้วก็ผู้รู้ก็คือขันห้าทั้งหมดสิ่งที่ถูกรู้ก็คือเวทนาสัญญาสังขารเป็นจิตสิกส่วนผู้รู้ก็คือจิตหรือวิญญาณขันดังนั้นเนี่ยพอไปรู้อะไรปมก็เป็นจิตวิญญาณขันเที่ยวนี้เดียวแล้วก็ส่งต่อไปเวทนาสัญญาสังขารคือถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็แล้วก็ไปกลางๆแล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้ไหมรู้ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปุงคิด ก็จะทำงานบุนวอย่างเงี้ยนตลอดชีวิตเราเพราา่อขาน่าจะไม่ดับจนกว่าจะตายแต่นั้นเวลาท่านปล่อยให้ปล่อยวางคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็ปล่อยวางทั้งผู้รู้คือเป็นวิญญาณขันธ์จิตวิญญาณขันธ์ก็เท่ากับปล่อยวางขันธ์ทั้งห้าสิ้นอุปทานขันธ์ห้านี่คือที่มาทั้งหมดที่ทอธิบายเป็นระบบให้เข้าใจในี่เข้าใจยังไงพอดีมีมีเรื่องสุขภาพจะถามหลวงตาด้วยอะค่ะ พอดีเป็นเป็นภูมิแพ้มานานแล้วก็รักษาไม่หายสักทีจนจนมือมันมันเหมือนมันจะเน่า<笑><笑>ก็เลยไม่รู้ว่ามันอ่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะจะเป็นแช่เนี่ยแหละจิตเป็นแ ช, นแช่ในความเบาสบายความนิ่งความว่างความเบาสบายจิตเป็นไปนแช่มันทำให้ภูมิคุ้มกันบกพ้่อง คนนี้ตายตายได้นะถึงขั้นตายได้คือเขาเรียกว่าโรคภูมิผู้องดวงจันทร์ถึงตายได้เลยโลรคภูมิภูมิกันบกพร่องทําลายตัวเองคือจิตจริงๆไม่ได้มาจากระบบพ่างกายมาจากจิตผิดปกติซะก่อนแล้วสมผลให้กายผิดปกติหลังสารเคมีปกติตามให้เกิดเลือดขาวต่ําหนูไปตรวจดแูแล้วเกิดเลือดขาวจะต่ํำลงพอเกิดเลือดขาวต่าภูรรมิภูมิกันจะบกพ่องแล้วทําให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ภูมิภูมกันทําลายตัวเองแล้วก็ ไอ้เชื้อโลคจะเข้าโจมตีได้เพราะไม่เลือดขาวตับมันก็มาจากที่เราไม่ปล่อยให้จิตหรือวิญญาณขานเนี่ยมันไปรู้และมันต้องส่งต่อเวทนาจัญญาตั้งขานวิญญาณตัง้งถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆต่อสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้หมายรู้อะไรเป็นอะไรส่งต่อตั้งขานคือคิดปรุงปรุคิดเหมือนกับพูดได้ภาคได้มาปรึกษาตัวเองอยู่ในใจแต่เราเนี่ยไปแช่อ ย, อยู่หน้าเวหน้าหน้ า, นาอุเบกขาเวทนาคือสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอา เอาอุเบกขาเวทนาประยุติเวทนาหน้าเดียวคืออุเบกขาเวทนาจะไม่ให้มันเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันเป็นกลางๆแต่ที่เราให้มันเป็นกลางกเนี่ยอุเบกขาเวทนานี่คือเรายึดนะยึดหน้าอุเบกขาเวทนาอุกกมสุขเวทนาคือยึดจะไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์แต่เวทนามันต้องมีสาหน้าคือสุขทุกข์เป็นกลางๆไม่ว่าจะรู้อะไรมันต้องสุขทุกข์เป็นกลางๆแต่เราเนี่ยจะยึดให้มันเป็นกลางๆไม่ให้มันสุขมันทุกข์มันผิดธรรมชาติ มันก็เลยไปแช่อยู่หน้าเดียวในหน้าเวทนาหน้าเดียวมันก็ผิดธรรมชาติของขันธ์หน้าทำงานไม่เต็มมันก็เลยผิดปกติทำให้ขันธ์หน้าผิดปกติก็รู้สึกว่ามันจะแช่นิ่งๆเบียบๆมันจะคอยเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่อยู่เรื่อยๆค่ะตรงแล้วก็หนูเนี่ยวิธีแก้เนี่ยมันคอยจะเข้าไปแช่แช่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยวิธีแก้ที่เด็ดขาดที่สุดก็คือว่าต้องเข้าถาผู้รู้ถามผู้รู้ว่า ใครเนี่ยเป็นคนรู้ว่าเรานิ่งเราเฉยเราว่างเราสบายเราเบาเนี่ยใครเป็นคนรู้มันจะตอบตัวเองได้เสมอว่าใครเป็นคนรู้หรอกอะใคร<ก>เป็นคนรู้ก็ตัวเราเออตัวเราเป็นคนรู้เราก็ดูตัวเราสังเกตที่ตัวเราเราเป็นคนตัวรู้เราเป็นคนรู้แต่จริงว่าที่ว่าเราเป็นคนรู้นี่ยคือจิตหรือวิญญาณ น, นักันเพราะว่าอะไรเรายึดเอาขันหน้าเป็นตัวเราอยู่ไง เรายึดเอาขันท่าเป็นตัวเราเรายังไม่ได้เล่าประธานขันท่าเราเลยยึดขันท่าเป็นตัวเราแล้วเลยเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้คือเป็นจิตหรือวิญญาณขันเสร็จแล้วพอตัวเรารู้เสร็จมันก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือว่ามันเป็นกลางกลางต่อสิ่งสิ่งที่รู้แล้วก็ต้องส่งต่อสัญญาจําได้ไม่รู้แล้วส่งต่อสังขารคิดปรุงปรุงคิดตอนนี้หนูเนี่ยไปเกิดความพอใจกับใจที่ว่างโลง่งโปร่งเบาสบายนิ่งเฉยมันเกิดความพอใจ อพอใจเสร็จแล้วมันส่งต่อสัญญาสั้งขาดได้ไงมันปรุงยังไงมั น, ม, นมันพอใจแล้วมันคิดปรุงปุงคิดที่ที่มันเบาสบายว่าไงเราเบาสบายเราว่างมากเราไมเราว่างแบบนี้เราเบาอย่างนี้ทำไมเรานิ่งอย่างนี้เขาไมเราเฉ ย, ยอย่างนีู้พูดอยู่คนเดียวนะพูดอยู่คนเดียวนะจะจแต่เราไม่พูดอย่างอื่นมันพูดอยู่คนเดียวนี่แล้วว่าย้อนกลับมาดูตัวผู้รู้เราเนี่ยเป็นผู้รู้เรารู้อะไรมันต้องพูดไม่ว่าจะนิ่งจะเฉยจะสงบว่างไรไอตัวเราเนี่ยจะต้องพูดอยู่เสมอนั่นแหละ แล้วนั่นเนี่ยพอเราเห็นตัวเราพูดมันจะพูด24ชั่วโมงยกเว้นแต่เราหลับไปเราไม่เห็นพอตื่นมาเห็นเลยไม่ท่านลืมตาในเห็นแล้วเป็ตัวเราพูดแหละไอ้ตัวนี้เราจะหลุดจากไอ้ที่แช่ได้ร้อยเรซเราไปแก้ด้วยที่อื่นนะพยายามปรับปรั บ, บแต่งแต่งแก้ไขยพยายามไปดูหนังฟังเพลงพยายามไปปรับปรั บ, บ, บตัวพยายามตีตัวพยายามทําความรู้สึกตัวให้มากๆเลยไม่รอดอนะ่ะสุดท้ายแช่หนักข้นไปอีกก็แหละรเรายังไม่ไม่สิ้นความยึดถือเราไปทํายังไงมันแอบยึดถือไว้แอบยึดถือความนิ่งว่างโลกโป่งเบาสบาย เราไปแอบยึดถือไว้ภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเม็ดเลือดขาวก็ต่าลงไปเรื่อยๆสุดตายนะถึงขั้นตายได้งนั้นวิธีแก้เด็ดขาดที่สุดก็คือเข้าหาผู้รู้เนี่ยก็คือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทากําอย่างนี้เข้าหาผู้รู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ประการทั้งหมดเนี่ยรู้ทำอารมณ์เนี่ยให้เข้าหาผู้รู้ว่าถามว่าใครเป็นคนรู้จะสบายใจไม่สบายใจใครเป็นคนรู้แล้วก็ดูตรงถามแล้วก็ใครเป็นคนรู้ก็ตัวเราจะเป็นคนรู้ พอตัวเรารู้แล้วตัวเราเนี่ยต้องส่งถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆแล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้ไหมรู้ส่งต่อสังขารคิดปรุงปุงคิดอย่างไรต่อสิ่งที่ถูกรู้ต่ออารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็ดูตรงตัวเราเนี่ยตลอดไปดูตรงตัวเราที่พูดได้บ่นได้ตัวเราที่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งพูดทั้งรู้ทั้งบ่นทั้งรู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งบ่นดูตัวเรานี่แน่เพราะเรายึดขันห้าเป็นตัวเราเลยเลยยึดว่าวิทยาณขันเนี่ยผู้รู้เป็นตัวเราเราเป็นคนรู้พอเราปล่อยวางไงตัวเราผ เราเลยปล่อยวางขันห้าจนถึงจิตหรืวิญญาณาขันเลยปล่อยวางขันห้าได้หมดเส้นอุปทานขันห้าหมดดังั้นเมื่อไหร่เราพ้นจากตัวเราก็ก็จะพ้นจับถูกได้เข้าใจไหมต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรขั้นแรกก็ที่เราติดมานั้นที่เป็นอุเบกขาเวทนานี่ก็เข้าไปดูตัวเราที่มันรู้ความพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถูกหรือเปล่าครับพอใจไม่พอใจแล้วจะงไงต่อกะมันต้องทํางไงต่อ มันต้องคิดปรุงปุงคิดอีกไงล่ะมันคิดปรุงปรุคิดแล้วมันพากมันพูดมันพูดปรึกษาตัวเองอย่างเนี้ยทําไมเราเป็นอย่างงี้ทําไมเราเป็นอย่างนั้นทำไมเราเป็นอย่างนี้มันก็ชอบสงสัยว่าเอ้ยมันทําไมมันนิ่งจังทำไมเราไม่เห็นอะไรเลยนี่เห็นตัวนี้เห็นตัวบ่นตัวพูดอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะรอดตายได้อพราะทำไมเราเรานิ่งจังมันก็สงสัยสงสัยสงสัยเนี่ยตัวเราสงสัยตัวเราพูดได้แล้วเนี่ยอันนี้จะรอดตายได้ตจำไว้เลยเสี้ยววินิทีเดียวที่ เราไม่รู้สึกว่าเราเราบ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเราเฉยมากเลยว่างมากอั น, นี้ใกล้ตายไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยพูดไม่หยุดบนไม่หยุดเพราะอะไรจิตวิญญาณาขันต้องทำงานเร็วที่สุดเลยอ่ะมันเกิดดับเร็วที่สุดอตจิตวิญญาณาขันเนี่ยเสี้ยวนาทีเดียวไม่รู้มันเกิดดับกี่ขนาดอ่ะกี่ขนาดจิตต้องจะเป็นแสนๆโกรธแล้วมั้งมันมันเกิดดับเร็วมากอันเนี่ย มันต้องพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเกิดไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันมันเกิดดับเร็วมากแต่แล้วจิตวิญญาณขันมันต้องทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาตั้งขันต้องทํางานร่วมกันเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมพร้อมจิตวิญญาณขันแลดับพร้อมจิตวิญญาณขันคือมันเร็วมากจนกระทั่งมันมันเหมือนกับว่าวิญญาณขันพอไปรู้ปุ๊บมันส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขานเนี่ยแต่ความที่มันเกิดดับเร็วมากมันเลยเราเห็นว่ามันเนี่ยทำงานร่วมกันเลยทั้งทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งถูกใจ รู้อะไรพูดบ่นอยู่ในใจลตลอดเวลาเลยตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วต้องต้องต้องพูดพูดอยู่คนเดียวมันพูดอยู่คนเดียวไม่เหมือนลักษณะมันพูดอยู่คนเดียวปรึกษาตัวเองปรึกษาตัวเองนี่ทําไมเราสงสัยแบบนี้นี่ทำไมเราว่างแบบนี้นี่ทำไมเราเฉลยแบบนี้เราเฉลยแบบนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อเราต้องไปหาอาจามาช่วยสนอนบ้างเอ๊ะแล้วเป็นยังไงมันติดหรือเปล่าเนี่ยอะไรมันก็พูดอยู่นงเน่งเน่ไม่มีหยุดรอกระตัวเนี้เราจะรอดตาจะเห็นต่เห็นไอตัวเราพูดไม่หยุดเนี่ยแล้วเราก็ปล จนท้งเราปล่อยวางตัวเราหมดไม่จัพูดมึงก็พูดไปเถอะเพราะไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นขันหน้าเราก็ใจอย่างเงี้ยพบเราปล่อยวางขันหน้าหมดใจก็เลยว่างเปล่าไม่ใช่ว่าเราไปทําตัวเราให้มันเหมือนกันเนี่ยให้ให้กเกยเอาตัวเราออกมาจากขันหน้าอีกไอ้ที่เราพรุงแต่งพยายามเอาตัวเราออกมาให้ตัวเราเนี่ยไม่คิดไม่พูดไอ้ตัวนักกายเป็นขันหน้าตัวเอาขันหน้ามาปรุงเป็นตัวเราเพื่อไอ้ตัวเราหลุดออกจากขันหน้าหลุดได้ไงกับเราก็กลายเป็นขันหน้าตัวใหม่ที่พยายามจะให้หลุดมาไม่เป็นตัวปรุง ถ้าเราเข้าใจระบบของการทํางานของธรรมาชาติในตัวเราแล้วนี่แหละคือเข้าใจธรรมแล้วก็มาให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่เรา่ตัวเราไปรู้ตามเห็นธรรมอะไรไปนอกหรอกคือเข้าใจธรรมชาติของตัวเรานี่แน่แล้วก็ปล่อยวางตัวเราจนใจเราเนี่ยเป็นธรรมคือเป็นธรรมชาติตามที่เราเข้าใจจริงๆเรียกว่าเข้าใจธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็เป็นธรรมไม่ใช่ว่าพยายามตัวเราไปรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นนีพธุ์พานหรือที่ไหนหรอก เข้าใจตัวเราแล้วก็ปล่อยวางตัวเราเขเรยว่าปล่อยวางได้จริงรู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยวางได้จริงจรงเรียกว่ารู้ธรรมชาติของตัวเรานี่แน่ในตัวเรามันมีสามอย่างร่างกายเป็นฝ่ายปรุงแต่งจิตใจเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งและใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยต้องมีแต่ความรู้เป็นความว่างป่าปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขาตถาทัตมันอยู่รวมกันในตัวเรานี่แน่สามอย่างเนี่ยมันอยู่รวมกันแต่มันไม่ยึดถือกันแค่นั้นเองเนี่ยคือ รู้ทำเห็นรรมเป็นธรรมไม่ใจะว่าเอาตัวเราขันห้าไปหาพระนิพพานที่ไหนไม่ใช่เราไปเป็นธรรมอะไรที่ไหนคือเห็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันอยู่ด้วยกันและไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันธรรมชาติปรุงแต่งก็มีร่างกายกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นธรม ร, ธรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆหลวงตามหาโมเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าพุทธะ แล้วแต่ว่าชื่อเขาเยอะมากมายแล้วจะเรียกอะไรเป็นสมมุติหมดคือเขาเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งนี่แน่เราเห็นธรรมชาติสองสองอย่างนี้คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแตง่งแล้วไม่ธรรมชาติทั้งสองอย่างเนี้เขามายึดถือส่งกัดละกันแล้วก็นอ ก, นอกจากธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วไม่มีตัวเราอีกตัวหนึ่งเกิดมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยกว่ามีธรรมชาติที่ พงแต่งทั้งหมดสังขารกับร่างกายที่เป็นธรรมชาติสายพงแต่งแล้วก็มีใจหรือจิตเดิมแท้หรือธรรมชาติที่ไม่ปพงแต่งมีสองอย่างแล้วมีตัวลายอย่างหนึ่งมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่ไม่เป็นตั้งธรรมชาติที่ปรุงแต่งและไม่เป็นตั้งธรรมชาติไม่พงแต่งอันนี้ก็จะผิดหนักไปเลยตอนเนี้ยม่ได้กลายเป็นว่ามีตัวเราเกินกว่าธรรมชาติที่ปพงแต่งกับธรรมชาติไม่พงแต่งไอ้ความที่รู้สึกเ่งที่เป็นตัวเราต้องกลายเป็นอะไรไปที่เรามีความรู้สึกกับเป็นตัวเราแยกไปตัวมันคืออะไรอะ เออตัวปรุงแต่งเพราะว่าธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งนี่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งไม่ได้ที่เรารู้สึกว่าเรามีตัวแยกออกมาจากธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวเนี้ยเราเห็นว่าเป็นตัวปรุงแต่งมันก็จบไปเลยเพราะไอ้ตัวที่ปรุงแต่งก็รวมทั้งร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือจิตฝ่ายปรุงแต่งร่างกายปุงแต่งส่วนจิตใจฝ่ายปรุงแต่งและความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ย ให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งเหมารวมไปอยู่รวมอันเดียวกันแล้ไม่ใช่ว่าเราเมาแบบไม่รู้ไม่เข้าใจคือที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราก็ว่าเราไปยึดเอาขันห้าเป็นรู้สึกไว้เป็นตัวเราถ้าเราเห็นว่าไอความรู้สึกที่เป็นตัวเราไว้เนี่ยเราพยายามแยกตัวเราออกจากสังขารที่ปรุงแต่งให้ไปเป็นสังขารไม่ปรุงแต่งไอตัวนี้เราเห็นว่ามันมันเอาธรรมชาติปรุงแต่งคือเอาเอาสังขารมาปรุงแต่งเป็นตัวเราไว้ เราเลยมีความรู้สึกเป็นตัวเราถ้าเราเห็นว่าไอ้นี่ยมันเป็นขันฮะไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งพอปล่อยวางตัวเราแค่นั้นแหละปล่อยวางความรู้สึกเป็นตัวเรามันเลยกลายเป็นธรรมชาติปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่งมีความเกิดดับในความไม่เกิดดับมีความกระเพื่อมมีความไหวตัวในความไม่ไหวตัวอยู่คู่กันอย่างเนี้ยตลอดเวลาและธรรมชาติของสิ่งนี้ไม่มีใครยึดซึ่งกันและกันไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียอีก เหลือแต่ธรรมชาติสองสิ่งนี้อยู่คู่กันจนกว่าจะตายธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็ดับไปเหลือแต่ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเพราะความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งซลมันก็เลยเหลือสองอย่างมันจะมีธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งและธรรมชาติไม่ไม่ฝ่ายไม่ปรุงแต่งแล้วก็มีตัวเราอีกอันหนึ่งเด่นออกมาไม่เหมือนใครไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเราลอยมาอีกอันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมาปรุงแต่งไว้เป็นตัวเรา เมื่อเราเห็นว่าไอ้ธรรมชาติที่มันปรุงแต่งเป็นตัวเราอ่ะมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันถึกมาปรุงแต่งเป็นตัวเราได้ไอ้ส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งน่ะมันไมาความรู้สึกเป็นตัวเราไม่ได้ก็แค่นั้นแน่ความเข้าใจอ่ะหนูแค่นี้แน่ไม่ได้ว่ายุ่งยากซับซ้อนอะไรเราไปหาอะไรไปทําอะไรมันยุ่งยากซับซ้อนเหรอให้มันช่วยเข้าใจอย่างนี้แน่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างนี้แน่เพราะธรรมชาติมันมีแค่นี้เองต่อให้มันจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราอย่างไงก็ตามเนี่ย เราก็เห็นว่าอ้ยมันก็เอาธรรมชาติป oh, ร mm ุงแต่งมาเล่นนะแนะต่อให้มันตั้งแต่เจ้ายจนมันทันจะลืมตาเลยมันก็สารพัดแตคิดนู่นคิดนี่ปรุงแต่งนั่นปรุงแต่งนี้ปรุงแต่งนั่นปรุงแต่งนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งเป็นเวฟเป็นคลื่นเป็นพลังงานเกิดเกิดดับๆับเหมือนกับมันเกิดเกิดดับๆับอยู่บนท้องฟ้าไม่มีใครไปยึดถือมาหรอกมันอยากคิดไปคิดไปตึกตองไปตั้งแต่เจ้าเนี่ยก็รู้มันเห็นมันอยู่อย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเกิดเกิดดับดับมันคลื่นเหมือนเวฟที่ลอยอยู่ในท้้องฟา แล้วมันนะ่ยไม่ว่าจะเกิดเกิดดับดมันขึ้นมันเวฟลอยท้องฟ้าไงอะ่ะมันก็ไม่สามารถทําอะไรใจที่ว่างเปล่าได้เหมือนนกเหมือนนกหรือรอยเท้าที่เหยียบไปบนท้องฟ้าย่อมไม่ทําไม่สามารถทําลายเพาะไ ม, ไม่ไม่ปรากฏร่องรอยในความว่างได้ที่สุพทธ์พระอรนสาวกอุทัยกับดูเตามเจ้าว่ะรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศเนี่ยมีรอยไหมเจ้าตัดว่าไม่มีหรอกรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศย่อมไม่ปรากฏร่องรอย เหมือนกับนกที่บินผ่านไปในท้องฟ้าเนี่ยย่อมไม่ทิ้งรองลอยไว้ได้แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราจะเห็นว่าเป็นความรู้สึกตัวเรายัางไงก็ตามหรือต้นช่ำเริ่มตื่นมายังวม่น่าจะลืมตามก็เริ่มคิดตน้นคิด น, ดนี้คิดนี้นี่เราก็เห็นว่าเปรียบเหมือนกับเป็นนกที่บินผ่านไปในท้องฟ้าไม่มีความหมายต่อใจตอนปรุงยังไงก็ไม่มีความหมายต่อใจแกนี้แน่ใจก็เลยเป็นความว่างเปล่าเลยแต่ถ้าเราตัวเราไปนั่งปรุงทั้งวันคิดทั้งวันคิดทั้งวันทั้งคืนนี่อันเนี้ย เรากลายเป็นยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปเป็นขันห้าแล้วก็ตัวเราก็ปรุงอยู่นั่นแหละคิดปรุงปุงคิดคปรุงปุงคิดเอาตัวเราไปไปปรุงหมกมุ่นคนคิดคหมกมุ่นอยู่นั่นแหละอันนี้เราไม่ได้ปล่อยวางสังขารไม่ได้ปล่อยวางขันห้าแต่เราไปยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราเนี่ยเป็นขันห้าเราเอามานั่งคิดปรุงปุงคิดคิดปรุงคิดเอาตัวเราิพพาหนทางบนทุกข์หาทางให้ตัวเราไปนิพพานหาวนทางที่ตัวเราจะขึ้นเขาหาหันทางให้ตัวเราไม่ตกเขาหาหันทางให้เราสิ้นกิเลหหาทางใใหห้้เราออกจากอะไร อันนี้ครับเราหลงเอาขันห้าแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปไปไปรุงจริงๆหลงก็ไปไดความคิดจริงๆเอาความคิดมาปรุงเป็นตัวเราจริงๆโอ้ยเราก็นั่งปรุงไปฮึอดอย่างเงี้ยคือเราหลงเอาขันห้ามาเล่นเป็นตัวเราเอาสังขามาหลงเล่นเป็นตัวเราแล้วเราก็สรารพัดจะคิดปรุงไปการปฏิบัติที่ถูกต้องเราต้องเห็นว่าไอ้ตัวเราที่มันปรุงคิดคิดปรุงปุงคิดมันเป็นขันห้า เงื่นที่มันคิดปรุงได้คิดปรุงคุณคิดมันเป็นขันห้าเป็นสังขารปรุงแต่งที่มีความรู้สึกเป็นตัวเราได้เนี่ยมาต่อขันห้ามาคิดปรุงมาเป็นตัวเราแล้วก็ตัวเราคิดคิดคิดคิดคิดดังนั้นเน่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาไม่ฉันจะลืมตามาเริ่มคิดละคิดแล้วก็เช้ามาเนอะมันก็เหมือนกับนกนกที่บินไปในท้องฟ้าส่นใจก็คงเป็นความว่างอย่างเงี้ยแหะหรือเหมือนกับว่าเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นสัญญาณที่มันปล่อยสัญญาณโทรศัพท์มาเนี่ยเหมือนสัญญาณโทรศัพท์ที่ปล่อยมาในอากาศมันไม่ไปทาลายไม่สามารถไป แล้วมันไม่ไปยึดถือเราว่าไอ้ความคิดความรู้สึกที่มันปรุงปุงปรุงปุงวเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็ปล่อยมันคิดไปมันเป็นแต่คลื่นเป็นแต่เวฟมันเนี่ยที่ก็อัดเสียงไปเนี่ยเวลาเราไปตัดต่อเนี่ยไปดูตัวอ่งในในคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรมันเป็นเวฟมานะความคิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเวฟเป็นคลื่นแล้วก็ต้องไปตัดคลื่นเนี่ยมาชนกัน มันไม่ไม Them, เป็นตัวเป็นตนอะไรหรอกมันเป็นเป็นเวฟเป็นคลื่นความคิดความรู้สึกตัวเราเนี่ยแต่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวเราตัวเราตัวเราแล้วเอาตัวเราไปนั่งคิดอยู่นั่นเนี่เอาตัวเราไปหมกปุ่นคุณคิดคหมกปุ่นหัวทิ่มหัวตําหมกปุ่นเข้าไปแล้วเนี่ยจะเอาทางให้ตัวเราไปนิพพานให้ได้ตัวเราให้พ้นตุกให้ได้ตัวเราจะต้องออกจากอะไรให้ได้มันเอาตัวเราเนี่ยไปคิดคิดคิดคิดคิดเอาความคิดมาเป็นตัวเราเอาขันท่ามาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นขันท่าเนี่ย หรือว่าในขันห้าเนี่ยมีตัวตนของเราแล้วเราก็ยึดยึดยึดยึดแล้วก็เอาตัวขันห้าที่เป็นตัวคิดได้ว่าเป็นตัวเราตัวแล้วเราก็หมกบุ่นหมกบุ่นเอาตัวเราไปคิดคิดคิดคิดคิดคิดเนี่ยเราถ้าเรามีสติปัญญาหน่อยเราก็เห็นว่าจะคิดยังไงมันก็เป็นเหมือนเป็นส่งเป็นเวเป็นเวฟเป็นคลื่นในอากาศไม่มีความหมายต่อใจแล้วก็ไปตัวคิดยังไงก็ตามไปเป็นนิพพานเพราะมันเป็นสังขารปรแต่งเป็นขันห้าพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายท่านปล่อยวางขันห้า ในคำสวดก็มีพุทธเจ้าพราะทั้งหลายปล่อยวางขนันท่าดังนั้นในขันท่ามันคิดยังไงก็ตามอ่ะเอากระหน่มาคิดเป็นปรุงตัวเร า, าตัวเราคิดไ่่มีทางปนิพพานได้ต้องปล่อยวางไอ้ไอ้ไอ้ตัวความคิดปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้คิดให้เห็นว่ามันเป็นขนันท่ามันจึงจะบรรลุนิพพานได้ที่พุทธเจ้าพระทั้งหลายให้ปล่อยวางขนันท่าไปแล้วเราอุปทานขันท่าเพาะั้นถ้าเร า, อาเอาตัวเราไปายามไปคิดให้มันเป็นเอาตัวเราไปคิดให้มันเข้าใจเอาตัวเราพยายามจะคิดให้มันทะลุไปให้ได้ อย่างนี้มันก็หลงเอาขันหน้ามาเล่นเล่นขันหน้ารู้ไม่ทันขันบางทำที่หลวงปู่มั่นท่านว่ารู้ไม่ทันขันบางทำมันก็เอาขันมาบังทำหมดะคือทําอะไรมาบังธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเราเลยไม่พบกฏใจที่ไม่ปรุงแต่งสักทีรู้ไม่ทันขันบางทมเอาขันมาบังหมดเลยคือหลงเล่นเอาหลงเล่นไปขันหน้าหมดเอาขันหน้ามาหลงเล่นหลงคิดหลงปรุงไปหมกมุ่นหัวที่หัวตดำอย่างนี้ไะแล้วก็ไม่เห็นว่าเราไม่เห็นว่าเราเนี่ยกาลังหลงคิดแต่เรารู้ว่าเรากําลังคิดอะไร แต่เราเห็นไอ้ที่เรากำลังคิดอะไรเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นคลื่นเป็นเวฟมันไม่ใช่เป็นตัวตัวเราคิดจริงๆหราไอ้ตัวเราที่กำลังคิดเนี่ยความจริงมันเป็นความคลื่นเป็นเวฟเป็นเป็นเหมือนนกที่บินไปท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันจะคิดยังไงก็ตามมันไม่ไปไม่ไม่นำมันไปสู่นิพพานได้หรอกมันต้องปล่อยวางมีปัญญาที่จะปล่อยวางไอ้ตัวที่ตัวเราที่กําลังคิดว่าไม่ใช่ตัวเรามันไปขันข้าเป็นตัวของปรุงแต่งของไม่เทียคือหลวงตาพูดมันง่ายมากจนจนมันยากเหรอคนใครเป็นว่า ไม่ต้องทาอะไรไปล่อยปล่อยอย่ายึดให้ทิ้งที่หมดแล้วที่เราเคยทาทากันมามันก็ไม่ได้มันต้องมันต้องถืออะไรไว้มันต้องยึดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งมันต้องเป็นขั้นๆ น, นมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้อย่า ง, างวางกันไม่ได้เข้าใจ มาช่วยเราหน่อยอะเออคือคือคือผมคิดว่าคือคนนิสัยปัจจุบันนะครับมันจะไม่ได้วางง่ายเหมือนเหมือนคนสมัยก่อนคือมันทํามาทั้งชีวิตมันถูกสอนให้ทำมาดังนั้นพอบอกจะให้ปล่อยเนี่ยมันปล่อยบันทีมันยังไม่ได้ครับมันไม่เข้าใจบอกให้ปล่อยให้ปล่อยเหมือนเหมือนเหมือนเดิมที่ที่ครูบอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าขันหหนักเนอชีวิตมันเป็นทุกข์คนทํางานปัจจุบันมันไม่ค่อยเห็นหรอกครับมันเป็นทุกข์มันก็ก็สุขสบายดีนี่หว่า มันไม่เข้าใจแต่พอหลวงตาฟังเทศหลวงตาเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจแต่ก่อนผมผมทางเดินไม่ชัดก็เขาบอกให้ทํำยังไงก็ทําไปทางเดินที่เราจะต้องเดินต่อไปเดินยังไงเราไม่เห็นเลยตรงมาฟังหลวงตาก็เราก็เข้าใจผมก็เข้าใจองครวมแะ้วครับว่าทางจะไปคืออะไรแล้วเราต้องทําอะไรบ้างแต่ทําโดยที่ไม่ให้เราไปทําทําโดยที่ขันเขาก็ทําเข้าไปเพียงแต่ว่า เราก็แค่รู้แค่รู้เราไม่มีคือยึดหลักตัวนี้ให้มั่นก่อนนะฮะคือพอเข้าใจองค์รวมแล้วเนี่ยไอความอยากความที่จะไปเอาเนี่ยมันมันคลายตัวเหมือนที่หลวงตาพยายามให้ดูปัญญาณขันนี่แหะครับพอดูไปเรื่อยๆพอเข้าใจเรื่อยๆเนี่ยไอความยึดเนี่ยมันคลายเพราะมันคลายเนี่ยอันนี้มันเริ่มง่ายขึ้นละเพราะว่าความเข้าใจต่างๆมันจะเริ่มเข้ามาไอการพัฒนาของเรามันจะมันจะพลิกไปอีกแบบหนึ่งที่เราทํามาคือผมผมคิดว่าไม่สูญเปล่าครับเพลงหลวงตา พ, พลิก ดวงตาเขี่ยให้พุ๊บเราพลิกตอนนี้พลิกแล้วไอ้การทํำไอ้วินัยขันหรือการทํางานของของภายในเนี่ยมันขันห้าที่มันทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนั้นแล้วมันทํางานแล้วเราจะอ๋ออ๋อขึ้นเรื่อยเรเราก็จะเริ่มอ๋ออ๋อขึ้นเรื่อยเนี่ยหละเขาหนูฟังหนูก็เข้าใจแต่พอมานั่งกลับมาดูตัวเองมันก็ อมันติดคือสมมติว่าสมมติว่าหนูคิดคิดคิ ด, ค ด, คดสมมตินะคะความคิดอย่างเงี้ยพอมาพอหนูกลับมาดูใจคิดมันหายไปหนูก็เลยงงเอาเ้าแล้วแล้วมันต่างกันนยังพยายามทำ ใ, ให้ให้อย่างที่หรือว่ า, <อ>าให้เห็นอย่า ง, างที่เราเห็นคือติดมันเป็นอะไร ก, ก็เรื่องของมันเงี้ยค่ะอย่ ง, อยงฟังฟังอยู่แล้วอยู่มันก็แวบเข้ามาคิดอะไรสักอย่างเงี้ยเกาไปเห็นแล้วก็ก็งงปัจจุบันคือเห็นตัวไหนก็ตัวนั้นเลย คืออย่าไปบังคับอย่าไปอะไรคือถ้ามันจะทําอะไรก็ให้มันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอย่าไปบังคับนะครับถ้าเขาจะบังคับถ้าจิตมันบังคับก็ปล่อยมันก็แค่รู้อเหมือนเป็นผู้ดูเฉยๆใช่ใช่ครับเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆเราเราไม่เคลื่อนไหวทุกอย่างมันเคลื่อนไหวแต่เราผู้ดูไม่เคลื่อนไหถ้าสมมติเราเคลื่อนปุ๊บเราก็จะติดไปแล้วกับอาการเคลื่อนอ่ะกเขาทําอะไรเราก็แค่รู้เท่านั้นเองครับ ถ้าเราหนีเราก็ดูใช่ใช่ครับใช่ไม่ต้องไปกดเลยถ้ากดนี่ก็ที่เราเป็นคือขันห้าที่มันแสดงออกมาถ้าเขาทางานนะครับตัดใจแล้วเนี่ยลงตาเช็คกันแล้วว้ารูแล้วถ้าอย่างทํางานหรือขับรถหรืออะไรที่มันมีสมาธิอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปดูหรือเปล่าคะหรือว่าก็เห็นว่ามีสมาธิเห็นอย่างที่ขับรถอยู่ปกติผมเนี่ย ผมใช้การขับรถในภาวนาเยอะเพราะว่ามัรถติดขับไปขับกลับทำไม ก, ก็มีอยู่สองชั่วโมงแล้ว <ừ> ก็คือระหว่างนั้นรู้อะไรก็รู้ครับก็ <ừ> คือผมคิดว่าไอท้ที่ที่เราอยู่เฉยๆในระหว่างขับรถเนี่ยมันไม่มีใครกวนเราได้มากที่สุดละเราจะมีสมาธิตรงเนี้ยมากครับก็ก็คือคือ จิตมันจะวิ่งไปตรงไหนจะไปเห็นรถตัดหน้าไปเห็นความไม่พอใจอะไรคนนี้ก็ปล่อยเข้าไปเขาทํางานเราแค่เราแค่รู้แค่เห็นเท่านั้นเองนะครับ <im it> มีครับมันต้องมี <laughs> คนนี้ปาดเข้ามาปุ๊บ อ, อะไรอย่างเงี้ยมีมาละมีก็แค่รู้เท่าทันรู้เท่าทันเราก็เห็นเราไม่ได้บัง ค, คับนะฮะเดี๋ยวเขาหยุดเข้าเองโดยโดยปริยายแต่เมื่อไหร่ที่เราไหลไป <im it> บ่นมากๆเดี๋ยวสักพักเราจะเห็นแล้วเราก็แค่รู้เดี๋ยวเขาจะหยุดเขาเขหยุดเองจริงๆตัวรู้มันคือสติใช่ป่ะครใช่ครับสติสมาธิปัญญาที่หลวงตาบอกนี่แหละครับ ก็คือมันจะได้ทุกอย่างครับคือพอเข้าใจองค์รวมของการทํางานของวิญญาณขันธ์เจตสิกอะอย่างนี้นะครับที่ไปรับรู้ธรรมารมณเนี่ยมันก็จะเข้าใจองค์รวมทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นทางขึ้นเขาพรนิพพานที่หลวงตาพยายามเทศเข้ามาตรงนี้แหละครับไม่ต้องไปคือเขาจะจ้อ ง, องก็แล้วรู้ท่านรู้เท่าทันว่าจอ ง, องเพราะมันมีอาการทํางานคือเราเราเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตอะ่ะจะเอาอจะทําพอเราสมมติเราเดินยงกรมโอ้โ oh, หวันนี้ว่างสบายดีจัง เดี๋ยวพวกนี้เดินเดี๋ยวคาดหวังแล้พอเริ่มเดินรูปคาดหวังแล้มันจะต้องเบาจะต้องดีเหมือนเมื่อวานก็แค่รู้ทันไม่ใช่มันจะดีไม่ดีก็รู้ไปอันนี้มันไม่มันก็จะไม่หนักแล้วไม่ต้องแบกนะฮะก็ดูตามความเป็นจริงไม่ต้องแบกอะไรเลยแบกความคาดหวังแบกความอยากแบกอะไรทุกอย่างครับประมาณเนี้ยครับอ๋อถ้าสมมติเราเห็นว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผ่านมปก็แค่เห็นว่าอ๋อใช่ <"He> i, เราแค่รู้ว่าเราหลงไปก็ช่างมันปัจจุบันเราเราไม่หลงก็ไม่หลงแต่พระฝปฏิบัติฝึกไปเรื่อยๆมันจะสติมันจะชัดแล้วก็เรับ เดี๋ยวเข้ามาเขาเองครับเพราะตอนแรกมันเหมือนเด็กที่ยังไม่เคยใช่ใช่โอเคค่ะแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆไอ้พวกอากุศลที่มันเกิดมันจะลดไปหรือว่ามันก็เท่ากุศลมันคืออะไรครับมันก็ขันห้านะเขาทํางานขึ้นมาใช่ไหมมันด่าเขาอะไรบ่นเนื่อก็ขันห้านะรู้เท่ารู้เท่าทันแล้วนะครับไม่มีอะไรถ้าเราเป็นคนชอบด่ามันก็จะด่าอยู่แต่สมมติไม่แต่ว่ามันต้องดูตัวแอบนะถ้าด่าดาแล้วบอกเอ้ยไม่มีอะไรหรอกด่าไปโดยที่ ไม่ได้คิดไล่ด่าไปจริงๆไม่ใช่นะด่าแล้วไปกระทบเขาแล้วเขาเป็นทุกข์มันก็มันก็มีวิบากอยู่อมันก็ต้องอิงกันใช่ครับคือผมว่ามันมีวิธีการพูดวิธีการคุยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ที่หลวงตาท่านเทศทุกครั้งคือขันห้ามันทํางานอยู่แล้วเหมือนพัดลมที่มันจะต้องหมุนตลอดแต่เราไปเหมือนปฏิเสธเราไม่มองพัดลมอย่นั้นที่มันหมุนเราไปอยู่ตรงก้อนที่มันไม่หมุนไม่อะไรทุกอย่าง ขันหมันปิดไปปิดสวิตช์หน้าไม่ให้ทำงานมันมันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้นั่นก็คือเราก็ไปหลงแช่อยู่ในตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองมิจฉาขันมันไม่ดับนะฮะมันตายแล้วเท่านั้นที่ดับ